เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาศกอุบาสีกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่า น, านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่30รสิบกรกฎาคมพุทธศักราช2 5 5 1บรตรงกับวันขึ้น8คดขมเดือน9เป็นวัน พระวันธรรมสวัสวนะวันฟังธรรมเป็นวันประเสริฐเพราะคำว่าพระแปลว่าผู้ประเสริฐวันนี้วันพระก็เลยแปลว่าวันประเสริฐแต่ความประเสริฐที่จะเกิดขึ้นนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่วันหรือเวลาโดยลาพัง วันเวลาเช่นวันพระนี้เป็นเหตุการณ์ที่จะสนับสนุนให้เกิดความประเสริฐขึ้นมาความประเสริฐนั้นจะเกิดขึ้นได้จากการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจของแต่ละบุคคลของแต่ละท่านถ้าวันนี้เป็นวันพระวันประเสริฐแต่ ไม่ได้ทำอะไรที่ประเสริฐทางกายทางวาจาหรือทางใจความประเสริฐก็จะไม่เกิดขึ้นความประเสริฐนั้นอยู่ที่การกระทาความเป็นพระก็เกิดจากการกระทาเมื่อทาแล้วก็จะพลิกจากปุถุชนเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอริยเจ้าขึ้นมานี่คือ ความหมายของวันพระวันพระเป็นวันที่เรามาปลูกฝังมเมล็ดพืชของพระอริยเจ้าให้เจริญเติบโตงอกงามให้ออกดอกออกผลเป็นมรรคผลนิพพานดังนั้นถ้าพวกเราต้องการความความประเสริฐต้องต้องการความเป็นพระพวกเราก็ต้อง สร้างมันขึ้นมาเราต้องปฏิบัติปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติแบบปฏิบัติดีปฏิบั ต, แบบบ ต, บติชอบคือ ส, ปปปนนอยยสุปฏิปันโนอุจุญายสามีจิปฏิปันโนถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วผลอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ได้ได้ได้พบได้มีไว้เป็นสมบัติครอบครองก็จะเป็นสมบัติของพวกเราเพราะความประเสริฐนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่การที่เวลาในสมัยพระพุทธเจ้ามีผู้ทำตนให้เป็นผู้ประเสริญได้ ทั้งนักบวชและคารวาเช่นพระภิกษุภิกษุณีสมมนนามเณรคารวะญาติโยมไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่าหนุ่มหรือสาวแก่หรือเท่าก็บรรลุเป็นพระอริยบุคคลกันเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับในสมัยปัจจุบันนี้ ก็จะก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยบุคคลได้เช่นเดียวกันไม่ได้อยู่ที่เวลาเวลาจะผ่านมาแล้วกี่พันปีก็ตามแต่มักผลนิพพานของพระพุทธเจ้ายังยังมีอยู่และจะเกิดขึ้นกับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลาย ไม่จำเป็นว่าจะเป็นนักบวชเป็นพระเป็นสมณีหรือเป็นคารวะอย่างยากโยงที่มาทำบุญให้ทานมาฟังเทศฟังธรรมมารักษาศีลกันอย่างต่อเนื่องพวกท่านก็กำลังสร้างความเป็นพระขึ้นมาในใจของท่านจะช้าหรือจะเร็วก็อยู่ที่ว่าท่านทำมากหรือน้อย ถ้าทำมากความเป็นพระก็จะปรากฏขึ้นมาเร็วถ้าทำน้อยก็จะปรากฏขึ้นมาน้อยเหมือนกับการเรียนหนังสือถ้าเราเรียนมากเราก็จะจบเร็วถ้าเราเรียนน้อยเราก็จะจบช้าบางคนนี่เรียนไม่ครบสี่ปีก็จบมาหาวิทยาลัย ไ, ได้แต่บางคนนี่เรียนแปดปีก็ยังไม่จบมาหาวิทยาลัย ไ, ไม่ได้อยู่ที่ กฎเกณฑ์ของวิทยาลัยมหาวิทยาลัยที่กําหนดให้เรียนให้จบภายใน4ปีถ้าเรียนไม่ครบตามวิชาที่เขากําหนดไว้ต่อให้เรียน100ปีมันก็ไม่จบมันก็ไม่ได้รับปริญญาแต่ถ้าเรียนครบวิชาที่เขากําหนดไว้ถ้าสามารถเรียนได้ภายในสองปีก็สามารถรับปริญญาได้ภายในสองปี ไม่ได้อยู่ที่การเวลาอยู่ที่การร่ำเรียนเช่นเดียวกับนักผลนิพพานเช่นเดียวกับการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อทําตนให้เป็นพระผู้เส ร, ริฐขึ้นมา mm. ก็อยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การศึกษาถ้าศึกษามากปฏิบัติมากผลก็จะปรากฏขึ้นมาเร็วถ้าศึกษาน้อยปฏิบัติน้อยผลก็จะปรากฏขึ้นมาช้า หรืออาจจะไม่ปรากฏเลยก็ได้ดังที่บางท่านเกิดความท้อแท้ขึ้นมาถึงกับคิดว่ามรรคผลนิพพานหมดยุคหมดสมัยแล้วพระพุทธเจ้าเอาติดตัวกับพระพุทธเจ้าไปแล้วตั้งแต่วันที่พระองค์ทรงตัด ท, ทรงเส د د ด็จดับขันธท้ปาปรานิพพานแต่ความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาเอาไปกับพระองค์พระองค์ทรงฝากไว้ให้กับพวกเรา ในรูปแบบของพระธรรมวินัยดังที่ทรงตรัสไว้ว่าพวกเธอไม่ได้อยู่ปราศจากพระศาสดาเพราะพระธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตรัสไว้ชอบนี้แล้วจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอไม่ได้อยู่ห่างไกลจากความประเสริฐของมรรคผลนิพพานเพราะ มรรคผลนิพพานหรือพัฒรมนี้อยู่กับพัฒธรรมวิไนยอยู่กับการศึกษาอยู่กับการปฏิบัติไม่ได้อยู่กับตถาคตเพียงผู้เดียวเพราะพระพุทธเจ้าถึงแม้จะเสด็จดับขันธปานนิพพานไปแล้วก็เป็นเวลายาวถึง2500กว่าปีแล้วก็ตามแต่พระพุทธเจ้ายังสามารถให้เราได้พบเห็นได้ ด้วยการปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติจนบรรลุธรรมแล้วเราก็จะพบกับพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตตถาคตกับธรรมนี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังนั้นเหตุที่พวกเรายังไม่สามารถบรรลุธรรมได้ยังไม่พบกับพระพุทธเจ้ายังไม่พบกับพระธรรม ยังไม่ได้พบกับพระ อ, อริยสงสาวก็เป็นเพราะว่าเราศึกษาและปฏิบัติไม่ไม่มากเท่าที่ควรยังปฏิบัติไม่พอนั่นเองหรือปฏิบัติแบบไม่ถูกไม่เป็นสุ ป, ปฏิปโนไม่เป็นอุชุยายะสามีจิตถ้าปฏิบัติแบบสุ ป, ปฏิปโนอุชุยายะสามีจิตแล้วจะต้องได้รับผลอย่างแน่นอน ดังนั้นขอให้เรามองการปฏิบัติของเราว่าเราปฏิบัติถูกต้องหรือไม่คาว่าสุปฏิปโนโก็หมายถึงปฏิบัติดีปฏิบัติดีก็เหมือนเรียนดีเรียนหนังสือดีเรียนหนังสือดีเรียนยังไงถึงเรียนนังสือเรียนหนังสือดีก็เรียนด้วยความตั้งใจศึกษาทุกสิ่งทุกอย่างที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนแล้วก็ทําการบ้าน ตามที่อาจารย์สัสอนไว้เวลาสอบก็จะได้คะแนนดีได้ที่หนึ่งได้ที่สองอย่างนี้เรียกว่าเรียนดีแบบเรียนไม่ดีก็คือไม่ตั้งใจเรียนไม่เข้าห้องเรียนเวลาครูสอนก็ไม่ตั้งใจฟังอยู่ในห้องก็คุยกับเพื่อนเล่นกันก็เลยฟังไม่รู้เรื่องกลับบ้านก็ไม่ทำการบ้านไม่ดูหนังสือไม่อ่านหนังสือ พอถึงเวลาไปสอบก็สอบไม่ได้คะแนนดีหรือสอบไม่ผ่านอย่างนี้ก็เรียกว่าเรียนไม่ดีเช่นเดียวกับการปฏิบัติ ด, ดีเราก็ต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราทำบุญให้ทานอย่างสม่าเสมอเราก็ต้องทำเราอย่าไปทำบ้างไม่ทำบ้างอย่างนี้ไม่ได้ สมมติว่าเราเห็นว่าเราสามารถทําบุญตักบาตรได้ทุกวันเราก็ต้องทาบุญตักบาตรทุกวันอย่าไปยกเว้นนอกจากในกรณีที่สุดวิสัยเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไฟดับหุงข้าวไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นถึงจะเว้นได้แต่อย่าเว้นเพราะว่าขี้เกียจเมื่อคืนนี้นอนดึก วันนี้เลยตื่นไม่อยากจะตื่นเช้าขอนอนใสๆก็เลยไม่ได้ทำบุญตักบาตรหรือในวันพระก็ไม่ได้มาเพราะขี้เกียจมาบ้างวันไหนขยันมาวันไหนอยากมาก็มาถ้าทําอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนไม่เรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติดียังปฏิบัติไม่ดีพอทําบ้าง ก็เหมือนกับนักเรียนที่เรียนหนังสือบ้างไปโรงเรียนบ้างหนีโรงเรียนบ้างก็เลยเรียนไม่จบ <Yeah. S 1> การปฏิบัติแบบนี้ก็ทําให้ไม่สามารถบรรลุถึงผลที่ควรจะพึงได้นั่นเองดังนั้นการปฏิบัติดีสุปฏิปันโนก็คือต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนั่นเอ ง, เองมีหน้าที่อะไรที่เราอยู่ในวิสัยที่เราทําได้เราก็ต้องทํา ทับุญตักบาตรได้ทุกวันก็ทําไปมาพระทุกมาวัดทุกวันพระได้ก็มาฟังเทศฟังธรรมได้ทุกวันก็ควรจะฟังนั่งสมาธิไหว้พระสดนอนได้ทุกวันก็ควรจะนั่งควรจะทาและควรจะทําให้มากยิ่งขึ้นไปจนทําอยู่ตลอดเวลาเลยอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าสุปฏิปันโน ผู้ที่เป็นสุปฏิบัณโนจริงๆแล้วท่านปฏิบัติตั้งแต่ตื่นจนถึงเวลาหลับไม่มีเวลาใดที่ท่านไม่ได้ปฏิบัติทำการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับนี้ก็คือการมีสติอยู่ตลอดเวลานั่นเองการตั้งสติอยู่ตลอดเวลาควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆ ไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่ให้ไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตให้ใจอยู่ในปัจจุบันกำลังทำอะไรก็ให้อยู่กับการกระทํานั้นๆกำลังอ่านหนังสือก็ให้อยู่กับการอ่านหนังสือกำลังเขียนหนังสือก็ให้อยู่กับการเขียนหนังสือกำลังทำงานก็ให้อยู่กับการทำงานไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หรือเรื่องที่เกิดขึ้น เรื่องหรือเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้อย่าไปคิดให้อยู่ในปัจจุบันถ้าทําอย่างนี้ได้ก็เรียกว่าปฏิบัติตลอดอย่างต่อเนื่องแล้วถ้าทํานี้ตั้งแต่ตื่นมาจนหลับก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติ ด, ดีแล้วก็จะทําให้นําไปสู่การปฏิบัติอย่างอื่นเข้มข้นมากขึ้นไปพอเรามีสติแล้วเราจะรู้ว่าเรากําลังทําอะไร ถ้าเรากำลังทำในสิ่งที่ไม่ดีเราก็หยุดได้เช่นเรากำลังจะไปหยิบสุรามาดืม่มอย่างนี้เราก็รู้ว่าเอมันไม่ถูกเราถือศีลห้าสูบสุราเดิมสุราไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติเราจะเผลอแล้วเราจะไปหยิบสุรามาดืม่มโดยไม่รู้สึกตัวไมารู้สึกตัวอีกทีก็เดิมไปเสร็จแล้วถึงคิดได้ว่าอ๋อเราทาผิดศีลห้าไปเสียแล้ว อย่างนี้เมื่อมีสติแล้วเมื่อถึงเวลาจะต้องทำบุญตักบาตรก็จะทำเมื่อถึงเวลาที่จะมาวัดก็จะมาเพราะรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่ากำลังทำอะไรอยู่รู้ตัวอยู่ว่าจะต้องทำอะไรเมื่อมีสติอย่างต่อเนื่องอย่างนี้แล้วการปฏิบัติก็จะต่อเนื่องจนไม่ได้ทำเรื่องอื่นที่ไม่จำเป็นเรื่องอื่นที่จำเป็นก็ทำไป เช่นอย่างพระจำเป็นต้องไปบินทะบาศก็ไปบินทะบาศจำเป็นต้องมานั่งฉันที่ศาลานี้ก็มานั่งฉันที่ศาลาจาเป็นที่ต้องร้านบาต้องกว า, ก า, าดถูศาลาก็ทำไปแต่พอหมดหน้าที่เหล่านี้แล้วก็ทำหน้าที่ที่สำคัญต่อไปคือนั่งสมาธิหรือฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมหรือเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญา พิจารณาเกิดแก่เจ็บตายว่าเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญปัญญาการรู้ว่าเรามาเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่เป็นปัญญาเพราะอะไรเพราะจะดับความทุกข์ได้ดับความทุกข์ที่เกิดจากความหวาดกลัวพวกเราทุกคนเกิดมาแล้วกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายด้วยกันทุกคนทั้งๆ ท, ที่รู้ว่าหนีไม่พน้นเมื่อนหนีไม่พ้นแล้วไปกลัวมันทาไม คนฉลาดเขาไม่กลัวเพราะความกลัวนี้เป็นโทษยิ่งกว่าความแก่ความเจ็บความตายความกลัวนี้สร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจให้ทุกข์ทรมานใจแต่ความแก่ความเจ็บความตายไม่ได้ทำให้ใจทุกข์ทรมานความกลัวต่างหาที่ทำให้เราทุกข์ทรมานใจพอเราไม่กลัวแล้วเราจะไม่ทุกข์ทรมานใจกับความแก่ความเจ็บความตาย นี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติจากการทำบุญให้ทานจากการรักษาศีลจากการสมาธิเพื่อมาสู่การเจริญปัญญานี้เองเพราะการเจริญปัญญานี้จะทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จะทำให้จิตกลายจากกุตุชนเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้อย่างพระอัญญาณกนธัญญาพอได้ยินได้ฟัง พระอริยสัจสีที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนว่าเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาท่านก็ร้องโห อ, โอเลยเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าคนเรากลัวไม่ได้ความแก่ความเจ็บความตายกลัวแล้วมันจะทุกข์ถ้าไม่กลัวแล้วไม่ทุกข์จะกลัวหรือไม่กลัวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันแล้วเรื่องอะไรไปไปทุกข์กับมันทำไมไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ้ากลัวแล้วมันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็น่ากลัวอยู่แต่มันกลัวแล้วมันไม่มันก็ยังแก่ยังเจ็บยังตายเหมือนเดิมและยังทำให้ทุกข์ทรมานใจเพิ่มขึ้นมาอีกเั้นกลัวไปทาไมผู้ที่มีธรรมะมีทานมีศีลมีสมาธิจะเข้าใจจะรับได้ทันทีจะตัดความกลัวออกไปได้ทันทีรู้เลยว่า เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาร่างกายเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาเมื่อจิตรู้ทันแล้วก็ไม่กลัวอีกต่อไปพอไม่กลัวแล้วก็อยู่อย่างสุขสบายก็หลุดพ้นจากความทุกข์บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นแรกได้เลยเป็นพระโสดาบันได้เลย นี่คือเรื่องของสุปฏิปันโนเป็นอย่างนี้ส่วนอุชุนี้ท่านแปลว่าปฏิบัติตรงต่อพระนิพพานปฏิบัติตรงต่อการหลุดพ้นคือไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ล่ำให้รวย<ม>เพื่อให้คนเขายกย่องสรรเสริญว่าเราเป็นคนดีหรือปฏิบัติเพื่อพ่อเพื่อแม่อย่างนี้ไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติ จริงอยู่การปฏิบัติมันก็มีผลพอยได้ตามมาเช่นปฏิบัติไปแล้วก็ทำให้พ่อแม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์ได้เพราะลูกเมื่อลูกมาบวชที่วัดพ่อแม่ก็ต้องมาวดัดมาเยี่ยมลูกเมื่อมาเยี่ยมลูกมาวดัดก็ต้องมาทำบุญให้ทางมาฟังเทศธรรมมารักษาศีลอย่างที่ท่านทั้งหลายกำลังทาอยู่ในขณะนี้พ่อแม่บางคนนี่จะไม่มาวัดเลยถ้าลูกไม่ได้บวช หรือมาก็นานๆานมาทีแต่ไม่พอกับการที่จะทำให้จิตใจกลายเป็นผู้ประเสริฐได้แต่พอลูกมาบวชแล้วพ่อแม่ก็ต้องมาบ่อยอาทิตย์หนึ่งอาจจะมาสองสามครั้งด้วยกันมาบ่อยๆเข้าก็ได้ทำบุญมากขึ้นได้ยินได้ฟังธรรมะได้ศึกษามากขึ้นแล้วก็กลับไปบ้านก็นำเอาไปปฏิบัติต่อเอาไปไหว้พระสวดมนต์ไปนั่งทำสมาธิ ใจตรงอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาก็จะทำให้จิตใจตระเสิดขึ้นมาได้ไปสวรรค์ได้ไปไปสู่พระนิพพานได้ด้วยอ น, นิสงส์ของผู้ที่ปฏิบัติอุชุนั่นเองคือออกบวชเพื่อที่จะทำให้ตนหลุดพ้นเพื่อให้ได้บรรลุถึงพระนิพพาน นี่คือความหมายของอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงต่อพระนิพพานไม่ได้ปฏิบัติเพื่อลาบยศเหมือนบางคนบางท่านมาบวชแล้วก็มุ่งไปที่ตำแหน่งต่างๆไปเป็นเจ้าอาวาสไปเป็นเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเป็นเจ้าคุณเป็นพระครูเป็นสังฆราชถ้ามุ่งไปอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นอุชุแต่ถ้ามันไปโดย โดยเป็ น, ปนผลพลอยได้คือไม่ได้เป็นเป้าหมายของผู้ผู้ปฏิบัติโดยตรงแต่เป็นผลกำไรเป็นผลพลอยได้ที่ผู้อื่นเขาหยิบยื่นให้เช่นเห็นว่าพระองค์นี้ปฏิบัติดีก็อยากจะสนับสนุนก็เลยแต่งตั้งให้เป็นพระอุปชาบ้างเป็นเจ้าอาวาสบ้างเป็นเจ้าคุณบ้างอย่างนี้ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ผู้ปฏิบัติเองนักบวชเองนั้นไม่ควรที่จะ มุ่งเป้าไปตรงนั้นเพราะมันผิดหลักต้องมุ่งเป้าไปที่มรรคผลนิพพานไปสู่การเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระาอารหันยึงจะเรียกว่าเป็นอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงต่อมรรคผลนิพพานส่วนยายะปฏิปันโนนี้ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสที่สร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจ อย่างเวลาทำบุญให้ทานนี้ก็ให้ทำเพื่อชำระกิเลสไม่ได้ทำเพื่อหวังให้ร่ำรวยขึ้นไปอีกหรือหวังให้ชาติหน้าได้ได้เกิดเป็นมหาเศรษฐีนี่ไม่ใช่เป็นเป้าหมายที่แท้จริงจากการให้ทานแต่มันก็มีอนิสงค์ของมันทานนี้มันก็มีอนิสง์ทาให้ผู้ที่ได้ทำบุญให้ทานมากมานั้นได้ร่ำได้รวยใน ในภพหน้าชาติหน้าต่อไปไม่ต้องไปเกิดเป็นลูกคนจนไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีอย่างนี้เป็นต้นเป็นผลพลอยได้จากการให้ทานแต่เจตนาของการให้ทานที่แท้จริงตามหลักของยายะสุปฏิปันโนนี้ต้องให้เพื่อขัดเกลากิเลสคือความตณีความหงแหนขัดเกลาวความโลภความอยากได้เพิ่มขึ้น เช่นวันไหนวันที่มีลอตเตอรี่ออกแล้วันนั้นตักบาสเพื่อหวังจะให้ถูกลอตเตอรี่ถ้าทำอย่างนี้แล้วไม่ใช่เป็นยายะปฏิปัณโนทำไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันไม่เกิดมันจะถูกมันไม่ต้องทำมันก็ถูกได้ของอย่างนี้มันอยู่ที่อยู่ที่ฟุกหรืออยู่ที่บุญเก่ามากกว่าถ้าเคยทําบุญเก่าไว้มามากถึงเวลามันจะออกดอกออกผลให้กับเรา ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ใบเดียวมันก็ถูกระหวันที่หนึ่งได้ไม่ต้องไปซื้อเป็นร้อยใบพันใบถ้ามีบุญถ้าเคยทำบุญอยู่แล้วและเมื่อถึงเวลาที่มันจะส่งผลให้กับเราซื้อใบเดียวมันก็ถูกได้แต่การทำบุญให้ทานในปัจจุบันนี้ไม่ได้เพื่อให้ถูกลอตเตอรี่ไม่ได้เพื่อให้ได้เลื่อนตาแหน่งขึ้นมาเป็นตาแหน่งสูงขึ้นไป นี่ไม่ใช่เจตนาหรือความหมายของยายะปฏิปันโนของการให้ทานเราต้องการให้ทานเพื่อกําจัดความตณีความหวงแหนในสมบัติเข้าของเงินทองความยึดติดในเงินทองกําจัดความโลภอยากได้เงินทองเพิ่มขึ้นมากม า, ม, ามากขึ้นไปไม่ต้องการเราต้องการกําจัดความโลภความตีนในทางหา เพราะเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราเราต้องปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ดับกิเลสอย่างนี้ถึงเรียกว่ายาเยปิปปิปโ น, โนส่วนสามีจีปิปปิปโนนี้ก็หมายถึงการปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นเองไม่ปฏิบัติแบบผิดๆนะปฏิบัติเพื่อให้ถูกต้องเช่นเวลานั่งสมาธินี้ไม่ได้นั่งเพื่อไปดูนรกไปดูสวรรค์ไม่ได้นั่งเพื่อไปดู กรรมของคนนั้นกรรมของคนนี้หรือไปพบกับเทวดาผีสางทั้งหลายแต่นั่งเพื่อให้จิตใจสงบให้จิตใจนิ่งสงบปราศจากความคิดปรุงแต่งต่างๆเพราะความสงบของใจนี้จะเป็นกำลังของของปัญญาต่อไปถ้า จิตไม่มีสมาธิจิตจะไม่มีกำลังที่จะปลงอนิจจ์ทุกขังอนัตตาได้รู้ว่าแก่รู้ว่าเจ็บรู้ว่าตาจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ทำใจไม่ได้เพราะจิตไม่มีสมาธิไม่มีกำลังใจแต่ถ้ามีกำลังใจแล้วพอรู้ว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาก็จะรับได้จิตจะปล่อยวางได้จิตจะวางเฉยได้ ไม่หวั่นไหวกับความแก่ความเจ็บความตายถ้าเป็นสมาธิที่ไม่ถูกเช่นนั่งสมาธิแล้วออกไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เวลาออกจากสมาธิแล้วจะไม่มีกําลังใจจิตจะไม่มีพลังจิตจะไม่สามารถทําใจได้ไม่ไม่สามารถรับความจริงของความแก่ของความเจ็บของความตายได้ดังนั้นการนั่งสมาธิต้องขอให้เราเข้าใจว่า เรานั่งเพื่อทำจิตให้มันสงบไม่ให้มันคิดมันปรุง ม, มันแต่งไม่ให้มันออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆถ้ามันจะออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆต้องนึงมันกลับเข้ามานึงมันกลับเข้ามาหาพุทโธหาลมหายใจหาบทสวดมนต์ที่เราใช้เป็นองค์ประกอบในการควบคุมจิตใจให้สงบ เราใช้พุทโธก็ดึงกลับมาหาพุทโธเราใช้ลมหายใจเราก็ดึงกลับมาหาลมหายใจพอเราดึงมันกลับมาแล้วมันก็จะออกไปไม่ได้พอมันออกไปไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะนิ่งสงบลงพอนิ่งสงบลงแล้วเราก็ปล่อยให้มันนิ่งไปให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้อย่าไปดึงมันออกมาปล่อยให้มันออกมาเองพอมันอิ่มตัวแล้วพอมันพอแล้วมันก็จะออกมาเอง พอมันออกมาแล้วเราก็ต้องถ้าเราต้องทำอะไรต่อเราก็ไปทำแต่ทำด้วยสติในขณะที่ทำก็ให้เราพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายไปด้วยว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาท่องมันไปเรื่อยๆซ้อนมันไปเรื่อยๆไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตามถ้าไม่จาเป็นจะต้องคิดก็ให้คิดว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย จนเรามีความมั่นใจแล้วว่าเรายอมตายได้ขั้นต่อไปเราก็ไปพิสูจน์ดูไปหาที่มันเสี่ยงภัยต่อต่อชีวิตเช่นไปอยู่ในป่าที่น่ากลัวน่ากลัวหรือไปอยู่ในป่าช้าเราดูซิว่าเราจะปล o n ได้หรือไม่เราจะปล่อยได้หรือไม่ร่างกายอันนี้ถ้าเราปล่อยได้แล้วจิตของเราก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปจะไม่หวาดกลัวอีกต่อไป จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปจนวันตายเมื่อถึงเวลาตายก็ตายอย่างสบายเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายตายกันท่านไม่ได้ตายอย่างพวกเราตายกันพวกเราตายกันอย่างหวาดกลัววุ่นวายกันแต่ท่านตายอย่างสงบตายอย่างสบายเพราะอำนาจของการปฏิบัติชอบนี้เองคือสามีจิตปฏิบัติให้ถูกต้อง ก่อนที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องก็ต้องศึกษาต้องได้ยินได้ฟังเหมือนกับการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางถ้าไม่ได้ศึกษาทางไว้ก่อนว่าจะไปทิศทางไหนไปแบบสุ่มไปก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้เช่น <c oughs> อยากจะมาที่วัดนี้แต่ไม่รู้ทางไม่เคยมาถ้าไม่ถามคนที่รู้หรือไม่ดูแผนที่ก่อน ก็จะไม่สามารถมาถึงที่วัดนี้ได้ฉันใดการปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเวทว่ายตายเกิด mm. เพื่อมรักผลนิพพาน mm. ก็เป็นการเดินทางที่เรายังไม่เคยไปมาก่อนเราต้องศึกษาแผนที่หรือถามผู้รู้ทาง mm. เช่นฟังเทศฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่พระ อ, อริยสงสาวกทั้งหลายได้นำเอามาเผยแผ่ สั่งสอนแก่พวกเราขอให้เราฟังไปเมื่อเราฟังไปแล้วเราจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรบ้างทำอย่างไรให้ถูกทำอย่างไรให้ได้เกิดผลเมื่อเรารู้แล้วเราปฏิบัติตามไม่นานเราก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานได้นี่คือเรื่องของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งสีประการคืออุชุ สุปฏิปันโนอุชุยายสามิจิปฏิปันโนที่พวกเราสวดกันอยู่ทุกวันความหมายก็คือให้พวกเรานี่แหละเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันให้พวกเร า, เาทําจิตของปุถุชนให้กลายเป็นจิตของพระอริยเจ้าขึ้นมาอยู่ที่อยู่ที่การมาวัดเป็นเป็นประจำ เพราะการมาวัดนั้นเป็นการมาทำใจให้ประเสริฐนั่นเองจึงขอให้ท่านจงนาเรื่องของวันพระวันประเสริฐนี้ให้ท่านได้นำไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อผลอันดีอันเลิศเพื่อความประเสริฐที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา